ตอนเจริญวัตถุแต่ไม่เจริญธรรมวันที่21มีนาคม2562 ที่ตั้งไว้นะคือจเจริญวัตถุแต่ไม่จเจริญธรรมเนนะีเอาอย่างไงขึ้นหน่อยไหมครับ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 ป่าตองนั้นเข้ามาเยี่ยมลูกหลานที่นี่นะเอาสายตาคนป่าเนะี่ยมองคนเด็กชี้ให้พวกเราดูว่าเรากําลังอยู่ในชีวิตแบบไหนนะเราจเจริญวัตถุนะวัตถุอาคารตึกรามบ้านช่องขึ้นมาเยอะมากทั่วโลกเทคโนโลยีก็จเจริญมากทั่วโลกนะแล้วเราจเจริญไม่หยุด เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆจริงๆแล้ววัตถุมีความจำเป็นของชีวิตไม่ใช่ไม่พัฒนาไม่ใช่เจริญนะเหมือนต้นไม้เนี่ยต้องมีเปลือกกัะพี้ต้องมีแก่นด้วยมีแก่นอย่างเดียวก็ไม่ทตนะบต้นไม้จะเจริญเติบโตไม่ได้ หลายอย่างนะผลของการเจริญวัตถุแบบไม่บรญญะบัญรยังคือโอเวอร์โหลดเกินความพอดีเป็นการทำลายสิ่งแวดลอ้อมความสมดุรณ์ของโลกของสิ่งแวดล้อมถูกทำลายผล ข, ข้างเคียงก็เกิดขึ้นนะวันแรกที่กบูเดินทางมาจากอุบลลงที่ดอนนะเมืองพอออกมาจาก เ, เขาเรียกว่าอะไรละ่ะออกข้างนอกมันรอรถปุ๊บเนี่ยน้ำมูกพ่ปูไหลทันทีเลยเนี่ยธรรมชาติเขาต้องร่างกายเขาก็ต้องทนเทคตัวเองนะคือมาป้องกันฝุ่น แ, แก้วคลิปมาปุ๊บคันปีที่แล้วเรามาก็ไม่ใช่ว่ามาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันไม่เยอะอย มันแรงเกินไปเร็วเกินไปที่มันแรงเกินไปเร็วเกินไปเพราะว่าเราขาดการพัฒนาธรรมพัฒนาจิตพัฒนาจิตเพื่ออะไรต้อควบคุมความอยากเมื่อเรามันมีเครื่องมือควบคุมความอยากแล้วก็สนองความอยากนะเอาอาหารให้มันกินเรื่อยๆที่นี่ลามไปทั้งโลกเลยไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเป็นไปทั้งโลก <S <S แผ่นดินจีนใหญ่จินประเทศจีน่ะนะแผ่นดินใหญ่นะ เขาเคยเป็นอดีตคอมมิวนิสต์นะเขาจนเท่าเทียมกันเขาไม่เน้นวัตถูมากพอเขาเริ่มเปิดเสรีบ้างประชากรเขาเป็นพันล้านกว่าล้านคนถ้าเขาไม่ทำแรงเขาก็ไม่พอกินคนหนึ่งมีคนหนึ่งไม่มีตอนนี้ความเดื่อมล้ำเขาก็เกิดขึ้นอยู่นะถ้าเขาไม่ทำจริงๆจังๆเนี่ยแม่้ำลไแม่น้ำคงแม่น้ำขงแม่น้าเดียวเนี่ย ที่ส่วนที่อยู่ในประเทศเขาในสร้างเขื่อนเจ็ดเขื่อนทุกอย่างเป็นพลังงานหมดเห็นไหมละ่ะก็ทําลายระบบนิเวศนะก็ทางประเทศเสีดีก็ไปด่าเขาว่าเขาเนี่ยสร้างมลภาวะเขาบอกว่าไปโทษกันไหมนะเมื่อเล่นเกมแล้วถ้าไม่เล่นจริงจัง ก, ก็แพ้แพ้แล้วก็ไม่มีจะ ก, กิน นะการต่างคนต่างเพิ่มอาวุธทางปัญญาเพิ่มอาวุธทางปัญญาเพิ่มเทคโนโลยีต่างๆยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าเท่าไหร่การทำลายล้างสิ่งแวดล้อมก็มากขึ้นนะสมัย30ปีก่อนพ่อคูอยู่ในไปศูนย์พลาณถอยต้องเรียกว่าไปอยู่ในป่าไม่ได้ไปอยู่บ้านนอกไม่มีบ้านพ่อคูนนั่งเรือข้าง ยายเลื่อยไม้ใช้มือเลื่อยเลื่อยๆกว่ามันจะขาดเนี่ยเป็นหลายวันแล้วก็มาเลื่อยเป็นแผ่นแผ่นแผ่นกว่ามันจะได้แผ่นหนึงเนีน่ยก็อีกนานเวลานานไอ้ต้นไม้ใหญ่มันก็โตขึ้นแต่ตอนนี้เทคโนโลยีนะคือเอาเลื่อยเครื่องนะสร้างเลื่อยเครื่องขึ้นมาต้นไม้เป็นร้อยร้อปีเนี่ยตัดปิดไม่ถึง5นาที นี่คือความเจริญของเทคโนโลยีการทําลายล้างมันล้างแบบล้างผาแบบรรา่านแบบธรรมชาติปรับสมดุลไม่ทันถ้าเราอยู่กับธรรมชาติสมัยก่อนเออชิงก้านสาขามันหักลงมาลุดลืดหรือตัดมันมาเผามาเผาถ่ า, า, านมาใช้พลังงานมันไม่หมดเพราะมันไอตัวใหม่มันก็ขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้การทาลายล้างมันเมื่อทําลายล้างมันมากปุ๊บความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นน่ะในป่ามันก็ไม่มี ความแล้ก็เกิดขึ้นไฟป่าถ้าเกิดเนี่ยนะไฟลุกขึ้นไม่ได้มันชื้นพอชื้นปุ๊บมันก็มีสมุนไพรมันมีอาหารธรรมชาติเต็มไปหมดเลยในป่าเนี่ยเราไม่เคยต้องไปให้น้ํำใหญ่คุมต้นไม้ได้คุมไปคุ้นกันมาต่างเอื้อประโยชน์กันเห็น ไ, ไหมแต่ทีนี้เราอยากจเจริญจนเราทําลายล้างแบบ มากกเพื่อมู้ทันปัญญานะไม่ใช่ทำอยู่ทำกินนะไม่ใช่ทำเพื่อยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ ที่เป็นอาวุธทางปัญญาขึ้นมาทั้งโลกนะปีก่อนหลังจากเกิดอาการระเบิดเนี่ยเขาคูเหโอการณ์บรรยายถ้าใครไปดูสมัยก่อนเป็นเทปคาสเซ็ตไม่มีหรอกซีดีแบบนี้เนาะตอนนี้ซีดีก็จะหายจากโลกอย่และทเทปคาสเซ็ตมันหาย อะไรเนี่ยก็จะอยู่ยังไงตอนนี้ในเวสุยล่าเนี่ยเงินกลายเป็นกระดามแหละทิ้งเกื่อนกาศมันเป็นแล้วแล้วพวกกูเห็นว่าต่อไปเนี่ยมนุษย์ต้องซื้ออากาศหายใจมันก่อนวันที่สิบเจ็ดเนี่ยท่านประธานองคมนตรีพลเอกเปรมไม่ใช้สิท่านก็ใช้ออกซิเจนไปมีคนแบกถังก็ไปด้วยต่อไปเนี่ยไอไอไ อ, ไอแมพที่เราใส่หน้ากาเนี่ยมันไม่อยู่ ทุกคนต้องแต่งชุดประดานา้ำแบกถังไปด้วยแล้วต้องมีที่เติมออกซิเจนอันนี้คือผลพวงของใครใครทำให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ลิงหรือเสื อ, อ, อหรืองูอยู่ในป่าทาเหรอเขาไม่ง่ที่จะทำมนุษย์ผู้ประเฤติเราเป็นคนทำเพราะเราไม่ลืมเราไม่เราพัฒนาวัตถุเราต้องการมันเยอะ แต่เราลืมพัฒนาธรรมธรรมนี้คือจิตนะในร่างกายเรามีความจริงอย่างเดียวเท่านั้นคือจิตนะส่วนโครงสร้างร่างกายเนี่ยแม้กระทั่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเผาปุ๊บก็กลายเป็นอากาศธาตุแต่อัที่เผาไม่ได้คือจิตวิญญาณนั่นคือธรรม เราไม่พัฒนาเราไม่เจริญธรรมเราไปเจริญแต่วัตถุที่นี้มันไม่สมดุลชีวิตเราจึงมีปัญห า, าตอนนี้เราต้องเอาชีวิตเราไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้เห็นไหมกรุงเทพว่าอย่างหนึ่งนะเพราะว่ารถยนต์มันเยอะฝุ่นละอองมันเยอะอะไรอะไรเนี่ยแต่เชียงใหม่ครับเป็นเมืองสวรรค์ของคนคนไทยในอดีต พอคูมาเจออเมริกาปึ๊บพอบกุกู็ไปซื้อ นาฬิกแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็เอาลู ป, ประทาอย่างเดียววิทยาศาสตร์ก็สอนรูปประทาอย่างเดียวช่างตวงวัดได้นอะไรที่ช่างตวงวัดไม่ได้เนี่ยปฏิเสธหมดเพราะมันนับด้วยคะแนนไม่ได้มีปัญญาพระพุทธองค์เนี่ยแล้วก็สาวกทั้งหลายศาสาทุกศาสด า, ส า, สดาเนี่ยที่ ท่านเข้าถึงธรรมเนี่ยท่านสงองด้านวัตถุก็ต้องพัฒนาเราต้องอยู่ต้องกินและวก็ทั้งปัจจัยสี่ก็คือวัตถุเห็นไหมเราต้องมีที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนึ่งหูมอาหารเราต้องเจริญเพื่อการดํารงอยู่นะแต่ก็ต้องจิตวิญญาณด้วย ตอนนี้อยากเป็นนักกีฬาก็ไปจ็อกซิ่งขยนันตื่น ต, นตีสีไปวิ่งแล้วก็เต้นเครือกเห็นไหมเงื่อไรใคาย้ยอยก็ยอมว่าฉันต้องการแข็งแรงเพราะฉันอยากชนะพอบังเอิญว่าเขาก็อยากชนะบังเอิญเขาทํามากกว่าเราเขาเก่งกว่าเราเราไปแพ้พูบ่บางติฆ่าตัวตายเพราะว่าร่างกายแข็งแรงแต่จิตไม่แข็งแรงเห็นไหมเพราะเรามองแบบแยกส่วนแล้วเราก็ไปทําเรื่องเดียวในแง่ธรรมชาติเนี่ยมันแยกไม่ได้มันต้องอยู่ร่วมกัน มันต้องอยู่ร่วมกันจากตัวเราเนกายจิตก็ต้องอยู่ร่วมกันนะโครงสร้างข้างนอกเนี่ยดินน้ำลมไฟต้องพึ่งพากั้นแต่ความคิดแบบแยกส่วนนะโดยเฉพาะเป้าหมายเขาคือเศรษฐกิจจริงๆแล้วคำว่าเศรษฐกิจเนี่ยในภาษาอังกฤษเรียกว่าอีโคโนมี อีโนโคมีนี่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามัธยัตมันไม่ได้แปลว่าฟุ่งเฟือยแต่ตอนนี้เราแปลเศรษฐกิจแปลว่าเศรษฐกิจต้องฟุ่งเฟือฟุ่มเฟือยมีแต่ตัวเลขมากขึ้นมันขัดแย้งกับในยะคําว่าเศรษฐกิจอีโคโนมีคอลี่นี่คืออย่างมัธยัตเห็นไหมไอ้ความอยากเศ ว่าเศรษฐกิจหมายความว่าต้องมีตัวเลขเยอะๆที่นี่ตัวเลขเยอะๆเกิดจากอะไรเกิดองเอาทรัพยากรของโลกมาแลกเป็น GDP เป็นเงินตอนนี้เรากำลังรับผลของมันนะรับผลของมันเห็นไหมกครูเห็นหลายอย่างตอนนั้นว่าน้ำจะท่วมนะมันมันแส้เพิ่นที่เราเห็นละขึ้นมา เกิดจากมนุษย์ไปทำลายสิ่งแวดล้อมทาให้เกิดกีนเฮาเอฟเฟกตอย่างนี้นะแสงอาทิตย์มันส่องมามันออกมาไม่ได้แผงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ตอนนี้ละลายแบบบ้าละรับลานฟรีแต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแตกเป็นก้อนใหญ่ๆแต่ไม่ก้อนใหญ่ๆ ใ, ในโลกใบนี้นี่มีแผ่นดินแค่หนึ่งส่วน มีแม่น้ำสามส่วนนะถ้าครูขาน้ำแข็งเอะลายออกมาเนี่ยแผ่นดินโลกจะเหลือ น, นิดเดียวมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่สนใจเพราะเรามัววจะเล่นเกมเราอยู่ว่าระวังผู้ต่อสู้เพื่อบาวุธทางปัญญาและตอนนี้มนุษย์กำลังจะแพ้ใคยตัวเองนะมีช่วงหนึ่ง เศรษฐกิจเมืองไทยไม่ดีปี4ถึงทุกคนถูกเลยงออฟกลับบ้านหมดเออยังมีแผ่นดินอยู่นะไปทำกเกษตรทำอะไรยังพอมีกินอยู่ตอนนี้ขายทิ้งเกือบหมดแล้วอยู่ใ น, ในมือในทุนส่วนใหญ่นะต่อไปไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีที่ทำกินนะเอาเป็นว่ามันรุนแรงขึ้นทุกวัน มากก่อนให้เกิดความมั่นคงทุกคนก็อยากมีคลิปที่มั่นคงทุกคนก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนะไปทํำลายทรัพยากรธรรมชาติดึงเข้ามาหาตัวเองนะสุดท้ายความสมดุลมันไม่เกิดก็เกิดดินฟ้าอากาศแปลงปอยู่ชนบทนั้นเนี่ยเห็นชัดธรรมชาติฟ้องพ่อปู่ทุกปีมันแล้งมาทุกปีแล้งมาทุกปีแล้งมาเนี่ยปีนี้น้ําเขื่อนนะ เ, เราไปสูบน้ำเขื่อนขึ้นมาเพื่อปลูกที่ศูนย์เนี่ยเรามีน้ำกินเราใช้เราใช้น้าบาดาลเขื่อนน้ำใจเราใช้สาราสิตารุภาพเรามีสี่น้ำมีน้ำน้ำใจอย่างเดียวเนี่ยใครเปลี่ยนศูนย์ก็ไม่ได้ปัิบัตรทุกวันเราจเจริญธรรมทุกวัน เป็นวิถีชีวิตตอนนี้เหลืออยู่เขา่ามีแต่โคลนนะก็วางแผนต้องเลื่อนองไปอีกนะ แล้วก็ต้องเพิ่มปั๊มน้ำเอาขึ้นมาอีกมากขึ้นคือธรรมชาติเขาฟ้องเราอยู่ว่าเรากำลังเจอวิกฤตและน้ำมาดาลอยู่ๆก็หายไปปึ๊บบางทีมีเมร์นาเมษานี่หายไปหมดเห็นไ้มธรรมชาติเขาฟ้องเราเนาะคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านเพราะกูก็เห็นคำตอบว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งเป็นเพราะมนุษย์ทำลายความสมดุลของธรรมชาติเอาล่ะเราว่าพัฒนาวัตถุเราต้องมีบ้านอยู่มีอาหารดีกินนะเปเจ็บไข้ได้ปวด่วยมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภยัยนะอยู่ตามอัตรภาพนะอันนี้เราต้องต้องเจริญ ไม่ใช่เรื่องผิดแต่เรื่องที่มันผิดเพราะว่าเราละเลยการเจริญครับมันก็ไม่มีตัวเบรกไม่มีตัวเตือนสติเราว่าเฮ้ยเจริญแค่พอดีนะทีนี้มันเล่นเกมแข่งขันมันไม่มีคำพอดีแหละชนะก็คือดีการชนะเกิดจากทําให้คนอื่นแพ้ใช่หไหมตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเพิ่มอาวุธทางปัญญานะถ้าไม่มีเพิ่ ม, มอาวุธเด็กก็สู้เข้าไม่ได้ เละตอนนี้อะไรล่ะเทคโนโลยี AI อะไรมาแล้วไอหุ่นยนต์มาแล้วเพื่อลดต้นทุนวิธีลดต้นทุนง่ายที่สุดก็คือว่าเอาคนออกไม่ต้องขาดค่าจ้างไงหุ่นยนต์ไม่ต้องลาป่วยลาคอดลาไปกินข้าวทำงานได้ยี่สีชั่วโมงเมื่อทางนี้เพิ่มเขาไม่เพิ่มเขาก็สู้ไม่ได้เขาก็เพิ่มมากขึ้นผิดที่ีสิี่ชั่วโมงก็ได้ งานหมดไม่มีสตังค์เดี๋ยวมนุษย์เราจะแพ้เกมนี้ด้วยตัวมันเองกดแข่งกลับตอนนี้เราไม่ได้ถกตอนไม่ว่าเออให้ต่างชาติเชือ่อถือเพราะเราจะได้มีงานทําตอนนี้ไม่มีงานทําตอนนี้มันผิดแล้วมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วนะเพราะว่าน่นจาจกะเกมมันแข่งขันไอ้ตัวใหญ่เขาก็ต้องแข่งขันต้องการชนะเขาก็เพิ่มอาวุธทางปัญญาของเขาดช่ไหม ย่าที่ทำเราหลายคนนะทำงานแบงค์บ้างอะไรบ้างเนี่ยสาปีนะช่วยสร้างวงค์กรเขาจนร่ํารวยทุกวันนี้ตอนนี้ต้องจับฉลากออกงานและไปอยู่อะไรไปทําอะไรตอชีวิตก็ทําแบบนั้นมาเห็นไหมบางคนพอนบ้างยังไม่หมดเลยใช่ไหมก็ให้ออกงานถ้าคุณจะทํำยังไงตอนนี้วิ่งไปทําอะไรขายออนไลน์หมดนะออผู้เมียบ้านก็สั่งไปออนไลน์ออนไลน์สิตอนนี้คนขายออนไลน์มันมากกว่าคนซื้อ ตอนปีสี่สิบตกนานใช่ฉันไปขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าแกงคนขายมากกว่าคนซื้อต่อไปมนุษย์จะเจอทงตัดเวนูซาล่าเนี่ยเป็นตัวอย่างเขาเป็นเศรษฐีน้ำมันเมืองไทยอะไรก็ไม่มีมีพืชไร่จังเดชก็ไม่มีราคาถ้าเรายังทำอย่างนี้อยู่เนี่ยเรามีสิทธิ์เป็นแบบนั้นเกิดกีระยุคบ้านเมืองต้องเอาทองคาที่มีอยู่เนี่ย ไปแลกเป็นเงินสกุลอื่นเพื่อเอามาซื้อของมาดํารงชีวิตไม่รู้จะลงเอยยังไงนะนะตอนนี้มันจะเป็นโดมิโ น, โนไปเรื่อยๆนะถ้ายังเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยเราอย่าประมาทต้องดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะเอาละ่ะเราย่อมาถึงส่วนตัวพวกเรานะการใช้ชีวิตเนี่ยคาว่าทางสายกลางก็คือว่าต้องบาลานซ์วัตถุต้องพัฒนา ทำก็พัฒนาน ะ, จะเจริญไปด้วยกันทั้งคู่เห็นไหมไอ้ทาในจิตเรามันก็มีสติมีปัญญามันก็เป็นตัวเตือนสติไอ้ตัวใจเราเนี่ยไอ้ตัวใจเนี่ยเป็นวัตถุมันมีในอยากได้อยากได้ไดใช่มั้มเออเรายังมีความอยากอยู่ก็ไม่ได้ผิดทุกคนต้องดารงชีวิตแต่ต้องอยู่ในกรอบของพอดีถ้าเราทำอะไรที่มันเกินพอดีเนี่ยทามากเกินไป ก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็มันมีจะกีบพัฒนาจเจริญทำแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะแยกแยะแค่ไหนมันพอดีแล้วก็สู้ความอยากคิดตามความอยากทําตามความอยากขยันจนไม่หลับไม่นอนไม่ต้องกินก็ได้เพราะห่วงงานสุดท้ายก็หาเงินมารักษาโรคตอนนี้ธุรกิจ ญาติธรรมนี่ก็ เ, เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอะไรที่โรงพยาบาลอะไรอย่าไปเอ่ยชื่ อ, อเระจุลินทร์เทพจนะไม่ใช่ญาติธรรมตัวพ่อของญาติธรรมเขาไม่รู้จักพระครูหรอกญาติธรรมขอร้องไปที่จอดรถว้างมากแต่ว่ารถเต็มไม่หมดเลยต้องขับไปจอดไกลๆเขาก็มีรถกร้อมรับออกม า, มานะขึ้นไปเยี่ยมเขาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าต้องเก็บเงินเป็นหลายวันเพราะวันหนึ่งมันหลายหมื่นคุณหมอเดินมาจาับเต๊ะเต๊เต๊ะ ห้าัะอันนี้แทงก็นไปกึ๊บปุ๊บอันนี้กี่พันเค่าอยู่ห้องห้องพักนี่นนะแพงกว่าโรงแรมชั้นหนึ่งเขาช่วยโอกาสเอาความเจ็บป่วยของมนุษย์เนี่ยมาทามาหากินอันนี้เรียกว่าเวรกรรม ราคาแค่นี้ลวกนี้ราคาแค่นี้คนนี้ไม่มีเงินมึงไปไกลๆคุณธรรมมันหายไปไหนเพราะเขาพัฒนาวัตถุเขาไม่ได้เจริญธรรมเขาก็เลยสร้างกรรมมหาศาลเขาคิดว่าเขาล่ำรวยนะคุณรวยไปเถอะ ไปเหมือนก่อนพิชาตกำลังจะทำนะทีนี้บางทีคุณครูพวกเราข้าสร้างเหตุมามีครอบครัวบ้างอะไรเนี่ยมีลูกมีเต้าบ้างแล้วปัญหาที่ การบังกายเราเหนื่อยไหมเราไปวิ่งตากแะเด็นตาอกไรทําไม่ยอมตากะเหื่อไหลครย้อยทําไมเรายอมเหนื่อยเหนื่อยแล้วมัแข็งแรงไงเหนื่อยแล้วแข็งแร ง, ง, แแ ง, แรงต่อไปมันจะไม่เหนื่อยนะถ้าเราจําได้ตอนใหม่ๆที่เราปฏิบัติเนี่ยแค่15นาทีทุกคนก็เรีย่ยงละตอนนี้เต้นเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงซ้อนกันเห็นไหมเราแข็งแรงขึง้นใช่ไหมเราเราออกการบังกายเราก็แข็งแรงเราออกการบังจิตจิตก็แข็งแรง ผู้มองอะไรมองแบบไม่ใช่มองโวมในแง่ดีและแง่ลายในแง่ที่ตัวเองชอบไม่ชอบในแง่ที่มันเป็นความจริงเพราะมันแยกไม่ได้โปรแกรมถึงกายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขมันถึงเกิดขึ้นชีวิตเรามันสุขไม่ได้เพราะว่าเราจะเป็นเน้นวัตถุอย่างเดียวนะ okay? ไปทุกกับวัตถุจิตใจก็นั่งถึงจะเหนื่อยใช้ก็ทําเพราะว่าฉันอ้างว่าจําเป็นจําเป็นนะทุกคน แต่จาเป็นก็ต้องทำคนดีทาให้มันสมดุลนะได้ไหมหาวัตถุมาจะได้ชย้ยแต่ถ้าคุณไปเทวัตถุมากก็มีเงินไปซื้อโลงศพเผาผีนะคุณจะไม่ได้ชย้ยอย่างมากก็หาเงินมาไปจ่ายหมอนะั่นบางทีพูดไปมันทับในใจมากกว่ากระดาษใจบังเอิญพ่อ ก, กูระเบิดใจจริงแล้วมันบริสุทธุกคำพูด แต่ถ้าไม่พูดให้รู้ความจริงเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในสังคมแบบไหนนะหมอดีๆหลายคนก็มีนะถ้าหมอหมอดีหมอไม่ขยันไม่ไม่เก่งเรียนหมอไม่ได้นั่นแหละนะความดีเขคือเขาขยันเขามุ่งมัน่นแต่บังเกินเขาไปเจอระบบเป็นธุรกิจการแพทย์เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะ ห, หมอบางคนก็ไม่ทามําต่างเขาก็ไม่ได้เพราะอยู่ในงองค์กรนั้นเลยกลายเป็นว่าร่วมสังฆกรรมกันกอดคอกันสร้างกรรม ใหญ่หลวงนะปัชญาของคณะวิชาการแพทย์เนี่ยในโบราณ เ, เพื่อรักษาคนไม่ใช่มาทำทธุรกิจถ้าเป็นการค้าว่าเออแน่นอนเราต้องมีค่าใช้จ่ายค่ายาแค่นั้นค่าใช้จ่ายอย่างนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้มันเกินไปไหม คำว่าคนป่วยคนไข้หมายความว่ า, วาคน เ, ออเราเอาคนที่ไม่มีแรงไม่ปกติวิ่งไปหาคนที่เป็นหมอสมัยโบราณไม่มีคุณหมอต้องวิ่งไปหาคนไข้ถือเครื่องมือไปเลยบางทีต้องนอนกับคนไข้ด้วยนั่นแหะคือหมอจริงๆทุกวันนี้หมอตายหมดแล้วเป็นธุรกิจการแพทย์หมด มันน่าเศร้าใจเป็นอาชีพที่เราได้พอมีโอกาสทำมุญเยอะต่อจากนี้เราพลาดแล้วเพราะความอยากมีวัตถุของเราจนลืมปัจชยาชีวิตชีวิตมันต้องไปด้วยกันทั้งกายจิตอาร์นะนั่นแหละคือมันพูดแยกส่วนหนึ่งแต่ว่าโจรก็บอกว่าพัฒนาวัตถุวัตถุวัตถุตถแต่ไม่พัฒนาธรรมนะภาษาพูดมันก็เออแยก จเจริญวัตถุจเจริญธรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะเอาเป็นว่าหลังจากเราจเจริญวัตถุมาถึงขนาดนี้เรามีจรวดขึ้นไปถึงดาวอังคารอะไรเก่งมากเรามีอาวุธนิวเขีร์และตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเดือนก่อนนะผู้นำโลกเบอร์หนึ่งเดินทางหาผู้นำประเทศเล็กๆนะอยู่ที่เวียดนามมาทำไมนะ มาเพราะว่าเขาเป็นิวเคลียสด้วยกลวไงเพราะตัวเองสร้างนิวเคลียสก็รู้ว่ามันอันตรายมากเห็นไหมก็เลยต้องมาแล้วก็เล่นเกมเนี่ยเล่นเกมเนี่ยเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยการหาเสียงเนี่ยนะไม่จริงใจกันหรอกอพอลม้มเหลวปุ๊บทางโน้นก็กลับมาฉันจะเอาใหม่เห็นไหมเพราะว่ามนุษย์เราแข่งกันเพื่อชนะสร้างวัตถุแข่งกันแล้ววัตถุอะไรวัตถุทําลายล้างโลกฉันก็สร้าง เพื่อฉันจะมีอาวุธทางปัญญาชชนะเธอตอนนี้ต่างฝ่ายต่างทุกข์เพราะต่างคนต่างกลัวเพราะความรุนแรงของมันแต่รู้จะลงเลยอยยังไงนะสร้างขึ้นมาทําลายไม่ได้ด้วยทําลายมันไม่ได้นะแค่ว่าระเบิดมันทิ้งได้ไหมไม่ได้ล่งสีมันไปตายบมดเนี่ยคิดเอาจะได้ เอาแต่ความเก่งแต่ไม่คิดว่าผลข้างเคียงเป็นอย่างไรเดี๋ยวกรรมมันจะสมผลนะอาวุธนิวเคลียร์นี่มีประโยชน์อย่างเดียวคือทำลายล้างแล้วต่อไปถ้าลูนพ่อเล่นเกมเล่นไปม า, าใช้ภาษาอะไรก็ไม่รู้ดิ้นไปดิ้นมาเอาตัวรอดแล้วสุดท้ายภาระตรงนี้จะตกมาถึงลูกหลานเราลูกหลานเราต้องตายเพราะอาวุธที่พ่อเราสร้างไว้เพราะมันทาลายไม่ได้ตอนนี้มัน มาทุกเพราะสิ่งที่ตัวเองสร้างนั่นแหละอาวุธทางปัญญาคนมีปัญญาจริงๆเขาไม่สร้างอาวุธเหล่านี้มันตั้งชื่อผิดนะทุนนิยมตั้งชุดอาวุธทางปัญญานี่มันไม่ใช่ปัญญามันเป็นความโง่เขาเป็นแค่องความรู้ทันวิทยาศาสตร์ท่านั้นเองจิตมีปัญญาเขาไม่ทำเหล่านี้เขาไม่ทาอยู่แล้วแต่เราใช้คาว่าปัญญามันเกลื่อนไปหมดเลยเห็นไม จบปัญญาตีเขาเรียกว่าปัญญาชนปัญญาชนทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องทำไมคุยกันไม่รู้ภาษาเราไม่เข้าใจกัว่าปัญญามันคืออะไรเนี่ยปัญญาปดิษด์ดอีกแล้ว a อปัญญาปฎิเด็ดจริงๆแล้วเขียนผิดนะคนโง่ปดิษด์ดคนมีปัญญาเขาไม่ปริเด็ดหรอกเครื่องมือที่จะมาสร้างกรรมเนี่ยเขาไม่เอาถ้าเขาจะสร้างนะ เขาจะสร้างทุกเดเครื่องมือเนี่ยเนี่ยมาให้ทำให้ทุกคนอยู่ในโลกใบนี้อย่างสันติสุขนั่นแหละคนมีปัญญาไม่ผิดเลยที่อาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านเห็นท่านเตือนว่าถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาวินาศนั้นมันกำลังจะถึงวันนั้นตอนนี้จะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องการขัดแย้งของมนุษย์ด้วยกันเองเกือบทุกประเทศ เกือบทุกประเทศแย่งชิงอำนาจกันต่างคนต่างอ้างเข้าข้างตัวเองฉันมีเก่งนั่นเก่งนี่นะนะมันก็เป็นเกนะมนนก็เป็นเกมนะ่ะเพียแต่ว่าในเกมนั้นมันแฝงด้วยอคติมันไม่ได้คิดว่าจะสร้างสรร์นะมาเจริญให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างมีความสงบสุขจริงๆนะอ้างคนยากจนเนี่ยเพื่อจะทำให้ชั้นใหญ่ขึ้นนะ อันนี้บาปกรรมนะเป็นเป็นเป็นบาปกรรมเพราะคูจึงสาสปีนี้ไม่มาร่วมสารกรรมก็ในรเทศตัวเองมาอยู่ในในจุดเล็กๆตรงนั้นแต่ไม่ใช่ทิ้งสังคมทิ้งบ้านเมืองทิ้งโลกเพกราะคูก็ดูโลกทุกวันเพราะคูดูทุกวันเพราะคูถึงดูโลกตามความเป็นจริงทุกวันนะเห็นอยู่เห็นก็สั์แต่ว่าเห็นแต่พวกคูคิดให้มันทุกขนะ์แล้วพวกคูก็แก้ไม่ได้เลยจิตพวกคู ไม่โง้ที่จะไปคิดให้ตัวเองทุกข์แต่ไม่ใช่ไม่ดูดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะแต่พวกเราบางทีจดจ่ออยู่เล่นเกม น, น, น, นี่นี่เราไม่มีเวลาดูะเห็นไหมไม่มีเวลาดูยังเบนิวเชล่าเนี่ยทุกคนก็ขยันใช่ว่าแต่ละบริษัทแต่ว่าแต่ละคนยังมุ่งมั่ น, นทำไมอยู่ๆตู้มเลยเงินที่เรามีมาเป็นกระดาษนี่เราจะอยู่ยังไง ตอนนั้นเราเอาเงินซื้อกินตอนนี้มันซื้ออะไรก็ไม่ได้ทีนี้ไอ้ที่มีอยู่มันกระปร่นสะดมกันหมดเนี่ยยังยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดมันมันมันมันยังไม่หยุดก็เกมที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยมันผิดมันตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดตั้งแต่แรกแหละครูฐานเขาเป็นประเทศเล็กๆเห็นไหมเขาเป็นนับถือาศาสนาเป็นที่ตั้งเขามีปัญญา เขาถึงกล้าจะทวนกระแสะโลกเขาไม่เอาตัวเลข GDP เขาไม่เอาตัวเลขเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งเขาเอา GDS ความสุขมวลรวมเห็นไหมไม่ใช่บ้านเราเนี่ยย้ายคนมาเที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยตอนนี้อยู่รปหลายประเทศนะประชาชนกีดกัน ดักท่องเที่ยวแล้วไม่เอามันเยอะเกินไปมันไปสร้างปัญหาเราได้ในกลุมเสียผู้ฐานนี่เขาก็จเจริญวัตถุคนเขาก็ต้องอยู่แต่เขาจเจริญทรรมเขาถึงไม่ถูกวัตถุหลอกจนเขาเปิดประเทศมากๆวีซ่าแพงมากแล้วปีนึงกําจับเลยว่าคนไปประเทศเขาได้กี่คนบ้านเราไม่แต่สร้างอะไรรองรับปะเเขามาเยอะ ๆ, ๆ, ๆมาเยอะๆมาเยอะๆได้อะไร เหมือนได้ตัวเลขนะแต่สิ่งแวดล้อมเสียหมดตอนนี้ยุโรปหลายประเทศเขาเห็นแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียนะแต่เราไปเน้นวัตถุวัตถุเราจะเอาเอาเอาจเจริญวัตถุจะเอาตัวเลขอย่างเดียวเราไม่ลืมเรื่องสังคมลืมเรื่องสิ่งแวดลอ้อมนะนี่คือการขาด ก, การจเจริญธรรมนะ โอเคผลของการเจริญวัตถุคือหนึ่งใครทำให้รถติดลิงไหมคนใช่ไหมการเจริญเธอก็อยากมีฉันก็อยากมีฉันก็จำเป็นเธอก็จำเป็นใช่ไหมก็เลยเธอก็ติดฉันก็ติดแล้วพากันปล่อยบนภาวะออกมา นี่คือผลของการเจริญวัตถุแบบเกินไปจริงๆแล้วเราถ้ารู้ว่าความเจริญเนี่ยคนมันมากขึ้นมันต้องเจริญเนี่ยหลายประเทศเขาก็รู้นเนาะพรากูอัดข่ากาพูดพูดยังบริสุทธิ์ใจไม่ได้ว่าเขาไม่ใช่ความผิดของใครนะอันนี้ปัญหานี่มันเกิดขึ้นกับกรุงเทพมานานแล้วล่ะนะ สมัยพ่อกูอยู่สีพญานะ่ยยังมีรถดังแก้งแกๆ้ ง, แ ก, ง, แ, กงแก้งอยู่นะเออคลองน้ำเยอะเลยเรานั่งเรือคองย่านกันสะอาดอยู่นะมันไม่ได้ติดแบบนี้นะขับรถจากสีพญาไปสนามหลวงเนี่ยสิบกวนาทีทุกวันนี้ชั่วโมงหนึ่งได้ไหมนี่ไงเจริญวัถุแล้วแล้วมันเจริญจริงไม่หรือมันถอยหลังถ้าเจริญจริงๆต้องใช้เวลาน้อยกว่าเก่าสินี่คือผลที่เราเจริญมาก มากเกินไปเราไม่จเจริญธรรมเราก็ไม่มีตัวเบรกตัวปัญญาบอกนะหนึ่งปัญหาโถติดสองมวลภาวาะแล้วเห็นไมสาความเครียดสี่โรคภัยไข้เจ็บเป็นพุงแพ้กันหมดเห็นไมเออโรคายโรคมะเร็งโ็อะไรมาเนี่ยผล ข, ของจากที่เราเป็นเน้นวัตถุมากๆเราไม่ระวัง เ, เรื่องสุขภาพเรื่องสังคมเรื่องชีวิตแล้วก็ทะเลาะบ่แว้งกันขัดแย้งกันนั่นแะหละก็นั่นคือผลของการเจริญวัตถุฝ่ายเดียวแต่ถ้าเราเจริญทำด้วยเนี่ยมันจะมีตัวยับยั้งชั่งใจนะทุกอย่างทำแค่พอดีสมมติว่าคนมันมากขึ้นมากขึ้นนะ พ่อมาเขายังรู้รู้จักอะไรรู้จักย้ายเมืองหลวงเขาเลยขนาดย่างกุ้งก็ยังแม่แออจจัจฉมันเลยเขาวางเขาวายย้ายก่อนการย้ายเมืองหลวงเนี่ยถูกกว่าเอาเงินมาแก้ปัญหากรุงเทพจะเป็นทางใต้ดินบนดินเนี่ยทักษะภาพเสียหมดและวมลภาวะมากคือทุกคนแออัดขึ้นเธอก็เครียดฉันก็เครียดแล้วก็แก้ไม่ได้ดินพ่กหางหมู ย้ายไปอยู่นู่นทุ่งกุลาร้องให้ห น, นที่มันไม่เจริญไปสร้างความเจริญที่น่นทุกวันนี้มันออนไลน์ได้กันหมดแนละ้วอันนี้ง่ายที่สุดจะเอาถนนไมเปลี่ยนเลยก็ได้นะเลยที่กุกระทาเลยวางแผนระย่า ย, ยาบและกรุงเทพไม่ต้องทำอะไรแม้กระทั่งสะพานลอยอะไรที่มันสร้างทุบทิ้งหมดนะนะกรุงเทพจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแค่แยกออกไปให้เป็นเมืองท่า เมืองธุรกิจนะเป็นเมืองแล้วเมืองใหม่ก็สร้างให้มันสะอาดเลยสร้างลงเอากความพิบิตดีๆเนี่ยเอาเตรียมอุดมเนี่ยไปเปิดให้ลูกหลานเขาอยู่ข้าราชการน่ยโรงพยาบาลดีๆให้เขาอยู่เลยเห็นไหมบริษัทใหญ่ๆนี้ต้องการเดียวกับด่วนราชการเขาก็ไปสร้างของเขาเองอยู่ตอนนั้นอะ่ะเมืองใหม่ก็น่าอยู่กรุงเทพมณฑภาวะจะหายไป เกิดขึ้นแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่มันทำไม่ได้สัดทีหนึ่งใครพูดเรื่องนี้ปุ๊บโดนรัฐบาลไหนก็ช่างพูดตรงนี้ปุ๊บโดนนะเห็นไหมมันไม่บริสุทธิ์จิตมีอคติจิตมีความอยากาได้เปรียบเสียเปรียบอันนี้ชี้ให้ดูนะจุดเริ่มต้นของชีวิตถ้าเราตั้งโจทย์ผิดแล้วเนี่ย เราก็คิดผิดพูดผิดทำผิดเพราะว่าทำตามโจ์แต่ภูฐานเขามีโจ์เพื่อชีวิตเขาทำเพื่อชีวิตเขาก็ต้องการวัตถุอยู่แต่ถ้าวัตถุนั้ น, นกระทบชีวิตเขาความสุขชีวิตเขาไม่เอาคนไปเยอะๆไม่ไม่ไม่เงินนั้นไม่เอาบ้านเรา ก็อยากได้เงินเขานะสุดท้ายเขาก็มาทําลายสิ่งแวดล้อมเราอะไรขยะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเี่ความอยากก็เราทําให้เราไม่เห็นความจริงนะเพราะคูพูดกว้างๆไปให้ทุกคนมองกลับมาที่ตัวเองนะ <S 1> <S 1> เอาเป็นว่าเราต้องอยู่กับสังคมตรงนี้ให้มันได้อยู่ได้คืออะไรอยู่ยังมีความสุขถ้าเราอยู่แล้วเนี่ยมันทุกข์แสดง เปฏิเสธไอ้ไอที่ว่าพาะครูบอกว่าเออมันไม่ค่อยถูกต้องเนี่ยแล้วก็อยู่กับมันเพราะว่าเราเปลี่ยนมันไม่ได้แต่ต้องอยู่อย่างมีสติรู้เท่าทันมันนะป้องกันตัวเองนะอย่างตอนนี้ครูก้อยไม่สามารถไปเปลี่ยนมนลภาวะทั้งกรุงเทพเออยังไม่ฉีดละออง p r o t e คตัวเองเท่าที่เราทำได้เท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัว เราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอย่าไปฝืนกฎแห่งกรรมใครนะทุกคนหันมามองแล้วก็ดีที่สุดนะอย่าทิ้งการปฏิบัติเชื่อพ่ะครูมันไม่ได้เสียสตังนะเสียเวลาหน่อยหนึ่งเราไปเที่ยวเตวันหยุดเอาเอาลายได้เราเนี่ไปโยนทิ้งเนี่ยไปเหนื่อยกับมันเราบอกว่ามันสุขเรายังทำเลยใช่ไหม แต่ถ้าเรามาฝึกจิตบ้างร่างกายก็แข็งแรงจิดก็แข็งแรงเนี่ยอันนี้อดทนหน่อยหนึ่งแล้วก็พอจิตมันมีปัญญาแล้วมันจะรู้ว่าจะอยู่กับสังคมแบบนี้อย่างไรทีนี้คนที่มีความคิดแบบวัตถุนิยมแล้วก็จเจริญวัตถุเขาจะแก้ปัญหาเขายัางไงความมั่นคงของเ ข, เขาเกิดจากการมีวัตถุเพิ่มต้องหาเพิ่มคำว่า GDP เนี่ย ปีนี้ขึ้นเท่าไหร่เท่าไรมันแข่งกันที่ว่าจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละคือเป้าของเขาเขาเลยแก้ปัญหาคือต้องทํำยังไงเนี่ยให้มีให้มีมอินคัมเพิ่มรายได้เพิ่มแล้วไม่จบสักทีหนึ่งปีนี้เพิ่มแค่นี้ไม่พอปีหน้าต้องเพิ่มอีกเขาไม่ได้ทําเพื่อชีวิตเลยแล้วก็ไปเครียดทุกเพิ่ม ถ้าไม่เพิ่มก็ถือว่าถูกตัดเงินเดือนถ้าไม่เพิ่มแสดงว่าไม่มีผลงานมันเหมือนแยกอย่างนี้นะแยกวัตถุ medication. นี่เป็นโลกธรรมเนี่ยเป็นจิตโลกนี้ก็คือกาย มัวจนะไปท่านผู้หญิงคุณผู้หญิงก็กลัวว่าเพื่อนจะไม่สวยเห็นไหมก็หาเงินมาก็ไปแต่งหน้าหน่อยไปฉีดให้มันนุ่นมันนี่มันนั่น น, น, นนะเห็นไหมแล้วก็ไปแก้ที่กายไงพอมาเพื่อนยังทักว่าเฮ้ยยังไม่สวยทุกอีกก็ไปแก้เรื่องกายอยู่างนั้นแหละเราหารู้ไว้เมื่อที่ความรู้สึกที่เรารู้สึกทุกข์ไม่พอใจมันเป็นเรื่องของจิต จิตเราพัฒนาแล้วเนี่ยมันบอกมึงไม่สวยพูดภาษาชาวบ้านช่างกูเห็นหั้ยกูก็ไม่ทุกข์ไะกูก็ไม่ต้องไปกระเซือกัระโจนไปหาเงินไปทำมันต้องแก้ที่จิตอันนี้เราไปนเน้นที่โลกเราเราเราไม่เอาทำก็แบบนี้ไงละ่ะทีนี้ทางโลกนี่ยแก้โดยต้องหาเพิ่มแล้วเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อเราสร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นเหนื่อยมากนอนดีกว่า อยู่บนดาดฟ้านอนลงไปข้างๆมีร้อยชั้นนอนไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะว่าเราว่าสู้มันไม่ได้สร้างสร้างส ร, งส ร, งสรงถึง99ชั้นหมดแรงเขาบอกหมดแรงเขาต้มแล้วน ะ, ะแต่ตายไม่ได้อีกแค่ชั้นเดียวเองตายไม่ลงแต่ไม่มีแรงทําทํำยังไงเรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อก็อีกกลัวมันไม่ทุกเหมือนเราแล้วถามว่าเมื่อไหร่มันจะจบ คนเคยเป็นนายกทัณมนตรีสูงสุดแล้วไงในทางการเมืองเห็นไหมก็สําเร็จสิไม่เป็นเลือกตั้งใหม่มาเป็นรองนายกก็เอาแล้วแล้วคำว่าสําเร็จมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละคุณสร้างวัตถุแหะแค่ไหนมันเรียกว่าสําเร็จสําเร็จแปลว่าเสร็จแล้วไม่มีแม้แต่หนึ่งคนสําเร็จเบอร์หนึ่งของโลกก็ยังไม่สำเร็จเพราะยังไม่เสร็จ พ่อครูเสร็จแล้วสามสิบปีไม่มีแม้แต่หึอย่างทาเพื่อตัวเองทุกอย่างเป็นส่วนเกินหมดความกังวลมีไหมไ ม, ไม่มีความหององไม่มีเมื่อกี้น้าหารมากราพ่อครูเสียดายเสียดายวิชาพ่อครูอะไรเนี่ยอุ้ย น, น่าจะปวดคนได้เยอะบอกน้าหารคิดอย่างนี้มากี่ปีแล้วไงแล้วก็มีนา้าให้มามาปวดไง แต่อย่าไปหวังเพราะพุทธเจ้าเป็นใครเสียดายไหมคำสอนพระพุทธเจ้าเห็นไมยังไม่ไม่สามารถปลดโลกมนุษย์นี้ไปอย่างนี้เลยแกก็เออเงียบแหละคือความมุ่งมั่นความเมตตาของแกไปแกปฏิบัติแกก็เห็นคุณค่าของมันแต่แต่เรื่องพวกนี้เนี่ยเขาเอาไว้สำหรับคนที่มีบุญเท่านั้นดอกบัวสีเหลมันอยู่ต้นยืนได้คนจะไปดึงมันขึ้นมาไม่มีทาง เราเป็นใครเราจะสามารถขุนกฎแห่งกรรมเหรือเนี่ยพออาจารย์อะไรนะั้นที่อยากดีอยากดีเนี่ยนะนะจนไม่รู้ว่าสังขารตัวเองมิแต่อยากอยากจนนั้นเนะ่ยมีแต่จะทําความดีช่วยเหลือบ้านเมืองถ้าช่วยเหลือบ้านเมืองจริงๆเนี่ยอยู่เฉยๆได้ไหมนะแล้วตัวเองรบป่วยได้มาบ้านเมืองเดือดร้อนอีกมันคิดนอกกรอบไม่ได้เนละเพราะเราไปติดเรื่องวัตถุเพราะว่าเราไม่พัฒนาธรรมถ้าพัฒนาธรรมแล้วเนี่ย คนเรา คอรหงไงผู้ยืนคอเราหง ง, ห ง, าหงใช่ไหมคนโบราณเขาบอกเนี่ยก็คอมันเราหงไงทีนี้เขาถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้ว่าก่อนนี้ไม่มีแต่หลังจากความเจริญเข้าไปรถ ล, ลามันไปถึงชุมชนเขาเนี่ยนะลูกสาวเขาก็ถูกชาวเมืองเนี่ยมาหลอกไปทีละคนทีละคน เ, นเพื่อรักษาเข่าพันุ์เขาเนี่ยเอาเลยปีหนึ่งใส่คอหนึ่งปีหนึ่งเพิ่มอีกอันหนึ่งยาวเลยเป็นสั ญ, ญลักษณ์หลือใครกล้ า, าขโมยไหม นี่คือปัญญานะเขารักษาเผ่าพันธ์เขานะทีนี้เขาทำไปทำมาเนี่ยผู้ชายกระเหลี่ยงก็คิดว่าเออผู้หญิงคอยาวนี่สวยนะเขามองเราพวกเราน่าเกียดมากคอสั้นๆ <c oughs> นั่นแหละเราปลูกฝังยังไงแล้วก็ติดอย่างนั้นก็ใจสายตาอุปท า, านที่เรามีอยู่ไปมองอะไรฉันถูกใจฉันบอกว่าดีอะไรไม่ถูกใจก็บอกว่าไม่ดีเราเองเหมือนกันพอ ม, มีคนทักว่าเราไม่สวยปุ๊บเนี่ย ทุกแล้วคำพูดเขาแค่นี้เราก็ทุกแล้วเห่ไหมร่างกายมันทุกใช่ไหมมันไม่รู้เรื่องร่างกายมันเหมือนโต๊ะนี่น่ะเก้าอี้เนี่ยตีมันก็ไม่รู้จับเจ็บนะเห่นไหมคนตายปุ๊บเนี่ยตีมันก็ไม่รู้เจ็บเจ็บมันไม่รู้สึกไอตัวรู้สึกนั่นคือตัวจิตวิญญาณเราถ้าพัฒนาจิตวิญญาณเราเนี่ยมันมีปัญญาแล้วเนี่ยมันจะไปแคร์ว่าเ็าจะพูดอะไรไหม เขาสัตว์จะว่าได้ยินเสียงอะไรจะไปทุกข์กับคาพูดเขาทำไมเห็นไหมเพราะเราไม่ไปหลงความอยากสวยอยากเก่งอยากอะไรเนี่ยเมื่อเรามีความอยากแล้วเนี่ยพอพอเขาว่ารอลอยเนี่ยเราก็เลยไม่พอใจนะแก้ที่จิตทุกอย่างจบอยู่ที่จิตเพียงแต่ว่าจิตต้องอาศัยร่างนี้เทวดาไม่มีร่างทำไม่ได้นะเทวดาเสพสุขอย่างเดียว รับกรรมดีตัวตัวเองไปทําดีแล้วไปหลงดีเสพสุขให้มันเข็ดเข็ดนะพอกรรมดีนั้นหมดเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีวันแรกก็แหกฝากร้องอีกเทวดาร้องไห้เราต้องอาศัยร่างนี้เหมือนร่างนี้เป็นรถยนต์เราเนี่ยนะเราไม่ดูแลมันบ้างไม่ตรวจสอบน้ํามันเครื่องนะตรวจสอบแบตเตอรี่หรือว่าอะไรบ้างเนี่ยใช้มันก็พังไงนั่นแหละเราต้องมีวัตถุ เพื่อมาเลี้ยงร่างกายนะเพื่อให้จิตเราเนี่ยมีโอกาสาใช้ร่างกายนเนี่ยที่เรียกว่าเจริญธรรมเจริญธรรมก็ต้องอาศัยร่างกายกายจิตต้องไปด้วยกันนี่แหละคือคําว่าพระพุทธเจ้าเองไป็นจัดสรู้สิ่งนี้เนี่ยสองพกว่าปีเนี่ยทำไมพระองค์ไปเห็นสิ่งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะพระองค์ถึงเอาเครื่องมือให้เราคือสติปัฏฐานสี่ ทั้งกายเวทนาจิตธรรมนี่คือความยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ เ, งเห็นตามความเป็นจริงว่าธรรมชาติมันรวมอยู่ด้วยกันนี่มีเครื่องมือเต็มเปี่ยมแล้วมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมไม่ต้องใช้ปากกาดินสอคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอะไรทั้งนั้นทุกคนมีเครื่องมือนี้เต็มเปี่ยมอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจความสำคัญของเขาไหมเราจะเห็นคุณค่าของเขาไหม เราจะแก้ปัญหาชีวิตราหลังเด็กๆไหมนะต้องแก้ที่จิตกายดูแลเขาตามบรรดาภาพอย่าไปทาลายเขาไม่ใช่อยากสร้างวัตถุมากๆจนไม่ต้องนอนไม่ต้องหลับนะเออทาร่างกายมากเกินไปอันนี้เราทรมานสังขานเนี่ไม่ใช่ความเปลี่ยนชอบเราต้องดูแลเขาตามบรรดาภาพเพื่อให้จิตมีโอกาสเนี่ยพัฒนาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วเนี่ยตัดแขนออกก็ไม่พุง ก็แ ข, ไข็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเห็นไม่มถี่เมื่อจิตมันมีปัญญาแล้วมันจะไปทุกข์ทใหมนั่นแหละคือต้นเหตุความรู้สึกเรามันเกิดจากจิตไม่ใช่ร่างกายแต่ร่างกายเนี่ยเป็นตัวเหมือนเลดา้าเป็นตัวรับผัะนะแล้วผ่านวิญญาณมาส่งถึงจิตเห็นไหมเทวดาไม่มีตรงนี้เนี่ยมันถึงสัมผัสตรงนั้นไม่ได้เห็นไหมแต่ร่างกายไม่ใช่ตัวรู้สึก ตัวรู้สึกคือจิตวิญญาณนะและจิตวิญญาณนี่แหละเป็นตัวสร้างอารมณ์ขึ้นมาดีใจเสียใจสุขทุกข์พอใจไม่พอใจไม่เกี่ยวกับร่างกายแต่เราเอาแค่รูปธรรมรักษาร่างกายไม่รักษาอารมณ์ไปรอหมออยู่สามชั่วโมงคิวยาวเลยพอถึงคิวเราปุ๊บจึดจๆๆๆๆดม่ถึงหนึ่งนาทีวินิจฉัยโรคปุ๊บเอายาไปหลอก เห็นแต่ใข่ไม่เห็นกดเอาแต่กยายภาพไงไม่เห็นความรู้สึกเลยเห็นไหมมันมันมันเป็นมันไกลว่าทุกคนเครียดหมดถ้าเป็นหุ่นยนต์เลยก็ไม่ไม่เป็นไร ย, ยิ่งดีกว่านะเพราะมันไม่มีอารมณ์ไงแต่เรามีอารมณ์ไงถ้าเราเครียดปุ๊บเราก็เป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคมะเร็งเป็นโรคความเครียดนะวันนี้พอกูชี้ให้ดูนะว่าเออ เราขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รู้ระดับหนึ่งเรามีโอกาสมาสัมผัสสิ่งที่มันปฏิบัติสิ่งที่มันครบวงจรคือมีทั้งกายจิตอารมณ์นะทำาให้เข้าใจเป็นรงหนึ่งทีนี้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะมองโลกมองธรรมชาติตามความเป็นจริงเราจะไม่มองแบบแยกส่วนต่อไปเราจะไม่หลงอะไรที่ว่าเปเทให้มันฝ่ายเดียวจนสุดโตนนะเราจะจิตเป็นกลางๆเราจะเห็นเป็นความจริงความจริง มันไม่ได้แยกกันอยู่มันอยู่ด้วยกันนะพอจิตมีปัญญาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับขันห่านะมันไม่ได้แยกขันห่ามันก็อยู่ด้วยกันแต่มันวางขันห่าวางคือมันไม่ยึดมั่นถือมันไม่เป็นหลงขันห่ามันก็ใช้ขันห่าไอยตาหกเนี่ยเป็นเครื่องมือทําหน้าที่มันนะเหมือนเรามีรถยนต์เราก็ขับไปแต่ถ้าเราไปหลงติดให้คุณค่ารถยนต์มากกว่าเพราะมันแพง ยี่ห้อมันแพงมากคันหนึ่งหลายสิบล้านใครแตะต้องก็ไม่ได้ลางชาวล้างเหย็ดขัดปูเห็นไหมพอเด็กเอาคัตเตอร์มาขีดปุ๊บเนี่ยจะตายกูจะฆ่ามึงรถยด็กมันไม่รู้สึกเจ็บนะใครเจ็บเราเจ็บเพราะเราให้คุณค่าของวัตถุมากกว่าความรู้สึกจิตวิญญาณเราเห็นไหมแต่ถ้าเราฝึกจิตแล้วก็ใช้มันเป็นเครื่องมื อ, อ มาทำงานน่ะทุกวันนี้เดินทางาก็ต้องใช้มันก็ใช้มันแต่เราไม่ได้ทุกข์กับมันและรถนี้ใช้ไปมามันก็เก่าไงร่างกายเราใช้มาก็เก่าไงคุณครูเนี่ยที่นั่งอยู่ที่นี่ส่วนมากเป็นอายุวัยเริ่มจากลกางคนนะลองรีววไปดูลูกเก่าๆตอนสมัยตัวเองเกิดดูซินะตัวเล็กๆ เ, เป็นเบบียังไม่ใส่ไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าโป้ด้วยนะ จะเป็นผู้ชายผู้หญิงอะนะเอ๊ะมันเป็นเราหรือเปล่าฮะเอ๊ะเราจริงไหมหรือพ่อแม่ถ่ายวีดีโอไว้เนี่ยรีวิไปดูนะอ้าแล้วทาไมทํามาเราโตแบบนี้แล้วเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าเผลอพ่เดียวเดี๋ยเหมือนพ่อครูเนะนี่ยวันที่ย2ิบสองนี่เจ็ดสิบเต็มไม่ใช่เฉลิมฉลองนะเขาเรียกว่าล่ออายุเนาะแล้วก็เริ่ม 71. เจ็ดสิบเ็ห็นไหมอยู่ๆเป็นเบลีใครเป็นมาก แก่แล้วแล้วก็อีกไม่นานเขาเรียกว่าตายแล้วแทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะถ้าเราฝึกจิตเนี่ยเราจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงเอาแก่ก็เรื่องของมันเราจะไปแก่กับมันทำไมเออร่างกายเขาเรียกว่ามันไม่สบายก็มันไม่สบายเรื่องของมันเราไม่ไปทุกข์กับมันเราก็ดูแลมันตามอัตภาพไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์นั่นแหละจิตสาคัญมากถ้าพครูให้คะแนนนะร่างกายนี้ส0 จิต 70% นะแต่ตอนนี้เราสร้างแต่วัตถุเอาแต่ร่างกาย 30% เราละเลย 70% แล้วชีวิตเราจะพัฒนาได้อย่างไรนะเนี่ยถ้าเราดูเหตุเราเห็นบ่อยๆเนี่ยเราเห็นโครงสร้างเราเราจะเห็นโครงสร้างจั ก, กรวาลมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเหมือนกันสิ่งมีชีวิตเพิ่มจิตวิญญาณเข้าไปนะ มันเหมือนกันทุกอย่างโครงสร้างมันเหมือนกันแต่ตอนนี้วิชาการต่างๆเนื่องจากว่าความคิดแบบวัตถุเขาต้องการเราเป็นสเปเชียลหลายเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อเอาแก้ปัญหาเขาเรื่องนี้คนนี้สเปเชียลใช้เรื่องนี้ปัญหานี้คนจริงเขาบอกว่าซื้เจียนฉังจิวเปี้ยนชื่อหยานภาษาจีนกันนะคือเวลาผ่านไปเนิ่นนานเนี่ยกลายเป็นธรรมชาติของเราแล้ว กลายเป็นคนมองอะไรมองเรื่องเดียวนะมองเรื่องเดียวนะและกลายเป็นนิสัยมองอะไรแยกส่วนนะกลายเป็นว่าความรู้รวบตัวอย่างอื่นไม่มีอันนี้ก็จเจริญวัตถุทุกคนต้องยังจเจริญเราต้องอยู่ต้องกินนะเราจึงต้องมีสัมมาชีวะต้องทํางานไงนะ อันนั้นจเจริญวัตถุแต่ถ้าเราจเจริญทาไปด้วยเนี่ยเวลาทํางานเราก็ไม่ทุกข์ไงเราก็มีความสุขกับการทำงานไหนไหนก็เสียเวลาเท่ากันแก่ไปวันหนึ่งแทนที่จะกำไรความสุขทาไปด้วยทุกไปด้วยอันนี้ขาดทุนชีวิตแล้วเพราะเราไม่จเจริญทำทำไมทำคู่กันไปนะวัตถุร่างกายนี้ก็เป็นวัตถุเป็นกายภาพเป็นรูปธรรม เราก็ต้องดูแลมันนะแล้วก็ใช้มันทําประโยชน์ให้กับจิตร่างกายนี้เราใช้แค่ชาติเดียวถ้าจิตมันไม่จบชาตินี้เนี่ยมันยังต้องไปอาศัยอีกหลายร่างเห็นไหมถ้าคิดเป็นหลายชาติเนี่ยร่างกายไม่ถึง 30% หรอกถ้าคิดหลายหลายชาติหอร์ยังไม่ถึงด้วยนะแต่ว่าในตอนนี้ความสําคัญของมันเพราะจิตต้องอาศัยมันเนี่ยเพราะครูให้3 0ม นะแต่ถ้าคิดถึงที่มาที่ไปมันนะล่างหนึ่งของเราหนึ่งชาติของเราเนี่ยคิด 1%, 1น1ึน่ง์เม่นึ่อร์เหนึ่งในร้อยไงเราเสียเวลาไม่รู้กี่ล้านล้านชาติละแล้วก็ถ้าเรายังยังพัฒนาวัตถุไม่พัฒนารำเนี่ยเราไม่รู้จะเสียเวลาอีกล้านล้านชาติน่ยคิดเป็นกายตอนนี้ 1% ก็ยังไม่ถึงเลยนะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยจิตเราอาศัยมันอยู่แล้วก็ให้ ให้คะแนนมันสูงๆไว้ให้มัน 30% ดูแลมันหน่อยหนึ่งถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยก็ปฏิบัติไม่สะดวกนะก็จบอยู่ที่กายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขนะก็เดี๋ยวกินข้าวนันละ